ใหทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกกระบรูดสัมผัสของลมหายใจที่พิงเขา้เเขาวิงออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องทั้งที่ตื่นขึ้นมาทั้งเรื่อยไม่รู้จากที่เราได้สร้างความรู้ตัวเรารู้จักลักษณะของคำว่าปัจจุบันธรรมให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงแล้วหรือยังถ้าย่างก็เริ่มพยายามฝึกให้เกิดความเคยชิน อะไรคือใจอะไรคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมากายทำหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรจำแนกแ ก, กแง่งแย ก, กออกให้เห็นเป็นคนละส่วนซึ่งเขาก็อาศัยกายนิยมถ้ากำลังสติที่เราสร้างขึ้นมามีไม่เพียงพอมันก็ยากที่จะเข้าใจในส่วนลึกๆของใจของอาการของใจหรือว่าแยกรูปแยกนามในขันห้าได้ ที่เราพยายามปึกให้เกิดความเคยชินจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ในการละในการทำความเข้าใจใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่คลายจากขันห้าเป็นลักษณะอย่างนี้การตามดูรู้เห็นขันห้าเกิดหรือว่ารู้เห็นความคิดของเราเกิดเป็นเรื่องอะไรท่านถึงบอกว่าอนิจจังความไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้ มันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความว่างเปล่าก็ามาปรากฏให้ตามดูโลยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ใจยอมรับความเป็นจริงที่เหตุที่ผลอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดาเนินคำว่าอัตตาอนัตตาเป็นอย่างไรการแยกรูปแยกนามเรารู้เท่าทันใจของเราหงายขึ้นมาเหมือนกับหงายของที่ความ ที่ตามเห็นการเกิดการดับของความคิดที่ท่านเปรียบเอาไว้เหมือนกับพยับแดดเวลาร้อนๆเราเดินไปตามถนนห น, นทางเราจะมองเห็นเปรวเปรีวละอองแดดเต็มไปเหมือนกับมีตั ว, ม, ตวมีตนเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆมันก็ไม่มีอาการของขันห้าก็เหมือนกันที่ท่านว่าไม่เที่ยง เราต้องพยายามน้อมดูรู้บ่อยๆวางผ่าละหน้าที่การงานทางสมมติมาจัดการดูแลรู้เห็นที่เหตุที่ผลให้ใจยอมรับความจริงให้ได้ใจเกิดกิเลสเราก็รู้จักละกิเลสแต่และ ว, วันตื่นขึ้นมาใจของเรามีความกังวลมีความพุ่งสร้าหรือว่ามีการปรุงแต่งส่งไปภายนอกได้อย่างไรทำไมใจถึงเกิดเป็นธานตุของกิเลส เราต้องมาเจริญสติให้ต่อเนื่องจนรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้เห็นตามความเป็นจริงใจพลิกงายขึ้นมามเราก็จะเข้าใจคำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเพียงแค่เริ่มเห็นถูกต้อง เราก็ตามดูอีกตามเห็นการเกิดการดับบองครั้งให้อีกบางทีก็เป็นเรื่องอดีตบางทีก็เป็นเรื่องอนาคตที่ท่านบอกว่ากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณตัวใจนี่เรเรียกว่ากองวิญญาณไอ้กายก้อนรูปนี่กองรูปเราพยายามเน้นสติลงที่กายของเราให้ได้ให้เข้มแข็งอบรมใจของเราให้ได้ถอดมากจะพลั้งเผลอเพราะความเคยชินเก่าๆเพราะว่าการเกิดของใจนี่มีมาตั้งนาน จนหาที่กำหนดไม่ได้เลยแหละตั้งแต่กจนกระทั่งมาเกิดอยู่ในภพมนุษย์ท่านถึงให้เน้นสติลงที่กายแล้วก็อบรมใจขณะที่มีกายเนื้ออยู่ในเรื่อง พภูมิต่างๆนั้นที่ผ่านผ่านมานั้นเราอย่าไปสนใจอย่าไปกังวลเอาอยู่ปัจจุบันเนี่ยทุกขณะลมเข้าก็นี่เรียกว่าปัจจุบันขณะลมออกก็เรียกว่าปัจจุบันธรรมไม่ใช่ว่าวันทั้งวันเป็นปัจจุบันอันนั้นปัจจุบันทางโลกลมหายใจเข้าหายใจออกความรู้ตัวพลั้งเผอหรือไม่ใจของเราน้อมไปในกองบุญกองกุศลหรือไม่ใจของเรามีพรมมีหานมีความเมตตาหรือเปล่า พอแยกแยกได้คลายได้ตามดูรู้เห็นในหลักของวิปัสสนาญาณความรู้แจ้งเห็นจริงกิเลสตัวไหนเราละได้เราก็พยายามละตัวไหนยังมีอยู่เกิดเมื่อไหรเราก็ละนจนไม่เหลือน่นแหละจนประกาศด้วยตัวเราเองนะว่าเรามองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาหรือไม่ได้กลับมาเกิดกันอย่าพากันประมาท สิ่งเล็กๆในน้อยอะไรที่จะเป็นโบนโบนใกล้บบนไกลบบญสมมติโุญวิ ม, มุตติภาษาธรรมภาษาโลกคำว่าปกติเป็นอย่างนี้คำว่าสินสมาธิปัญญาของในหลักธรรมเป็นอย่างนี้ต้องรู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงตัวใจของเราจริงๆใจนี่เขาท่านว่าไม่มีตัวไม่มีตนแต่ความรู้สึกรับรู้นั้นมีอยู่ เราก็ต้องพยายามดูรู้ให้ชัดเจนทำได้บ้างไม่ได้บ้างล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่เป็นเรื่องของเราทุกคนเป็นเรื่องของตัวเราแทๆ้ๆที่จะต้องทำความเข้าใจที่จะคลายทุกข์ยืนเดินนั่งนอนให้เป็นแค่เพียงเรียบบทภาษาธรรมที่ท่านว่าสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังเป็นอย่างนี้เวลาตากระทบรูปอย่างนี้เขาเรียกว่าสักแต่ว่าดู รูปสวยรูปงามก็ให้ใจรับรู้ตะวันทั้ง6กก็เป็นทางผ่านของรูปรถจินเสียงแต่เรามีสติมีปัญญารู้ใจของเราถ้าเราต้องการสิ่งต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็เอาด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในกายของเราหมด เพียงแค่เรายัางจเจริญสติไม่เข้มแข็งไปสังเกตไปวิเคราะห์อบรมใจของเราไม่ได้ทุกเรื่องเท่านั้นเองอาจจะได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวอาจจะได้รับความสงบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเวลาเปลี่ยนอริยบทก็หายไปบางทีความคิดผุดขึ้นมามันมีไม่มากหรอกถ้าเราจ ะ, ะขวนขวายรู้ทําความเข้าใจกันจริงๆอยู่ในกายของเรานี่แหละ เ, เรียกว่าสนามรบอย่างดี ยืนเดินนั่งนอนก็ให้เป็นแค่เพียงรียโบทใจเกิดยังไงใจปรุงแต่งยังไงใจเกิดคมกลวยยังไงเราพยายามคลายกิเลสสำลอกกิเลสออกให้หมดจากใจของเราจะเอามีจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาจะแล้วก็ต้องพยายามกันนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายคาสอนแนวทางของพระพุทธองค์นั้นมีมาตั้งหลายร้อยหลายพันปี ท่านเป็นองค์ค้นพบแล้วก็มาจำแนกแกะแกงงมาชี้เหตุชี้ผลให้เราดูทีนี้เราก็พยายามน้อมนำปฏิบัติให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราท่านถึงบอกให้เชื่อเชื่อด้วยเหตุเชื่อได้ผลไม่ได้เชื่อแบบหลงมงมงายนีย่จเจริญสติก็รู้จกักเอาสติปัญญาไปใช้ไปอบรมใจไม่แช่ปฏิบัติทำได้สักแตวว่าปฏิบัติไม่รู้เรื่องอะไรเลย นี่เจริญสติก็ไม่รู้จักลักษณะของสติตัวใจคือตัวทําก็ยังไม่รู้จักว่าอะไรคือธรรมทำไปแบบความหลงก็ไปไม่ถึงไหนเราจงพยายามทำรู้ด้วยเห็นด้วยทำความเข้าใจของเราด้วยอบรมใจของเราอยู่ตลอดเวลามีความสุขในการดูในการรู้ ก, รรกิเลสตัวไหนมันเกิดขึ้นเราก็รู้จักละรู้จักดับ กิเลสเหตุจากภายนอกหรือเกิดขึ้นจากข้างในใจของเราโดยตรงเราก็ต้องดูนิวรธรรมสติเราพลังเผลอได้ยังไงใจของเรามีความกังวลมีความพุ่งพ่านหรือว่าใจของเรามีความตันหนีเหนียวแน่นหรือว่ามีความเหตุแก่ตัวเราพยายามขัดพยายามเก่าเอาออกใจที่ไม่มีกิเลสเขาก็บริสุทธิ์ใจที่ไม่เกิดเขาก็นิ่งใจเที่ยงนิพพานก็เที่ยงใจไม่เที่ยงนิพพานก็ไม่เที่ยง ให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราพยายามตักตวงขณะที่กําลังกายของเรายังมีอยู่แต่ละวันแต่ละวันเราดําเนินตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาใจของเราเกิดสักกี่ครั้งเราดับได้หรือเปล่าเราละได้หรือไม่วันทั้งวันชั่วโมงนี้ใจของเราเกิดสักกี่ครั้งความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งแกจของเราสักกี่เที่ยวจนกระทั่งถึงเรานอนหลับหนอนก่อนที่จะนอนเราก็ย้อนดูตั้งแต่เช้ามาเราพังเปลือกจีเลตตัวไหน เราก็พยายามแก้ไขตัวเราสมมุติอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังประโยชน์มากประโยชน์น้อยประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์สูงสุดในระดับของสมมุติประโยชน์สูงสุดในระดับของวิมุตติความจริงมีทั้งสองอยา่างแต่ให้เราทำความเข้าใจทั้งสองอยา่างละวางหมดอยู่ได้เหตุได้ผลก็ต้องพยายามกันนะอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านทั้งพระทั้งชีก็ต้องพยายามพยัน ม, มันเปลี่ยนกันอย่าไปงอมืองอเท้า ทางรงทันข้างล่างไอ้ชีเป้กับชีฟางก็พากันไปช่วยทำกบข้าวกับปลาให้หน่อยนะเรี้ยงเวลานั่นกำลังผลไม่ฟอกันเห็นว่าไ อ, อ้จี เป้กับชีฟางนั้นทํากับข้าวอร่อยทางโน้นเขาอยากจะให้ไปช่วยนี่ไปช่วยทํากับข้าวกับปลาช่างก็จะได้ไม่ได้ลําบากชีเราคนในว่างๆก็ฝากันไปทําดอกไม้นี่ช่วยชีเล็กทําดอกไม้ที่จะติดแท่นข้างพญานาะคแท่นของพออระศิวะรีก็เสร็จแล้วก็ยังเหลืออยู่ตั้งแต่โยมจะน้มนํามาถวายขึ้นบอดีฐานเอาไวา้ก็ประมาณสัก กลางเดือนนี้หรือปลายเดือนนี้แหละที่จะได้ขึ้นมาจ่จะได้เข้ามามีอะไรให้เราช่วยกันความสะอาดความเป็นระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นแหละคือหลักของการปฏิบัติกายวาจาใจของเราเป็นระเบียบอีกหรือไม่ไล่เรียงลงไปเรื่อยๆมองบนมอ ง, มองล่างมองกลางใจของเรามันมีไม่เยอะหรอกมันเยอะเฉพาะาคนมีกิเลสหนาะเท่านั้นแะที่จะต้องถักทางคนมีกิเลสวาง ทำมีปัญญารู้ความเป็นจริงแล้วมองเห็นแพรพเดียวกายวิเวกเป็นอย่างงี้ใจวิเวกเป็นอย่าง น, นี่การจเจริญสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้ใจของเราเกิดทักกี่เที่ยวแจขงเราเกิดท่ากี่ครั้งกิเลสตัวหยาบรู้ว่าตัวละเอียดกิเลสเกิดขึ้นที่กายและเกิดขึ้นที่ใจเราไปศึกษาฟังนิดเดียวเดินถึงจุดหมายปลายทางเลยไม่ต้องไปอออออบอกยากเลยคนมีปัญญารู้ไม่หันก็ดับดับแล้วก็วางเอาไว้ อย่าไปสนใจมันเอาใหม่ความคิดตัวไหนเกิดขึ้นมาก็ดูใหม่ใจของเราสอนได้ถ้าเขารู้ความเป็นจริงแล้วเขาไม่เกิดหรอกการเกิดก็เป็นทุกข์แต่เวลานี้เขาทั้งเกิดด้วยเขาหลงด้วยหลงขันห้าด้วยแต่เราก็ว่าเราไม่หลงตาบไดที่ยังกําลังสติยังไม่ต่อเนื่องเราก็ว่าเรามีสติมีปัญญาอยู่มีกันทุกคนแต่เป็นสติปัญญาของโลกีของสมมุตมิปัญญากิเลส ไม่ใช่ปัญญาที่จะเข้าไปสางเวยให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ของใจมันก็ถูกอยู่ในระดับสมมุติแต่ในหลักธรรมแล้วเราต้องจเจริญต้องเอาไปทําความเข้าใจชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลจนไม่มีอะไรเหลือจนอยู่ด้วยปัญญาล้วนๆอยู่ที่ไหนก็มีความสุกอยู่กลางลงหนังกลางตลาด ใ, ใจของเราก็ต้องสงบปาศจากกิเลส แนวทางมีอยู่ก็พยายามนะอย่าพากันทิ้งเอาล่ะวันนี้เขาจะเริ่มทำวนตัวนี้พากันไว้พัพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐานต่อทำความเข้าใจกันเอา